ในพุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือตัดความยึดมั่นถือมั่นนั้นซะอุปาทานความยึดมั่นนั้นมีสิ่งที่ลงเกาะหรือจับยึดคือขันธ์ทั้งห้าได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อรู้จักขันธ์ทั้งห้าตามที่เป็นจริง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 คือเห็นแจ้งหรือเข้าถึงตัวพุทธศาสนาจริงๆมิฉนั้นแล้วจะเป็นแต่ผู้รู้หรือผู้เข้าใจในพุทธศาสนาเท่านั้นหาได้เป็นผู้เห็นแจ้งไม่ฉนั้นทุกคนจะต้องไปพิจารณาดูกิเลส ข, ของตัวเองให้เข้าใจแล้วพยายามไถ่ถอนมันออกไปซะให้ได้แม้ได้แต่เพียงครึ่งหนึ่งก็จะเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาบ้าง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 หรืออย่างน้อยก็ทำให้เราได้ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์บทกลอนทิ้งท้ายเรื่องความแก่ความแก่งอมย่อมทุลัก์ทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลามากิริยาแสนทุลักษ์ทุเลแหล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 สามารถเผยแพร่แจกจ่ายได้โดยไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตแต่ต้องเพื่อธรรมทานและแจกฟรีเท่านั้นติดตามงานอื่นๆของโจโฉได้ที่ www. j o oh. s h o t n e t เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุกสิ่งในพุทธศาสนาไว้ครบถ้วนแล้วอยากให้เปิดฟังหรืออ่านซ้ำไปซ้ำมาหลา ย, ลายรอบนะครับจะพบว่าจะทำให้เรายิ่งลึกซึ้งในธรรมะแต่และหัวข้อยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้รุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลทุกท่านขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งย่งขึ้นไปนะครับ